50 languages. ยี่สิห้าในเมืองปัตตานีดลีดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟนานูไรล์เว่ย์นิลดานักเกอโฮกเดิฉันต้องการไปที่สนามบิน นาหนูวิม า, านา .Nil ดานักเกโอฮกกบกดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมืองนานูน agara Kendra เก่อฮกกะ เ, กกเบดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะ น, น้าห น, น, น, นูเ a i l w a y n i l ดานาวันโนเฮเก่ทะลุปบหูดูดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ นานูวิม า, านา l ดานาวนนูเฮเก่ทัลุปะบวหดูดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะนานูน agara คเณนรวนนูเฮเก่ทัลุปะบดูดิฉันต้องการแท็กซี่นันเก่วนดูแท็กซี่เบกูดิฉันต้องการแผนที่เมือง น, นัเนเก่น agara ดาวนดูนักชบก ดิฉันต้องการโรงแรมนนนวัดสติกรบกดิฉันต้องการเช่ารถยนต์นันูวันดูกบาร์าดิเกเกเทเทเทเ ก, เ ก, กลเคลบนี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะอีดนันาครดกาดนี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะ อีดูนันนาว่าหนชาลนาปารวานิเกในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะอีนกการศึลษาโนดเลบเอกาดาวิเศกลูเยนิเวคุณไปเมืองเก่าสิคะนิวูไเลียนนกรศึกษาโฮกิคุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะนิวูนักการศาประดิษเนมาี คุณไปที่ท่าเรือสิคะนีวูบันดริเกโฮกีไปเที่ยวรอบท่าเรือสิคะนีวูบันดรินาประดักษินีมาดิยังมีที่เที่ยวที่อื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะอวูการันโนบิตตูเบเรยาวะเรกชณียสถานะกะลิเวกรุณาไปที่